วัดหลวงพ่อเองนี่แหละในกลุ่มวันที่สามสิบเอ็ดในเมื่อคณะสัตย า, า, า ญ, ญาติโยมมาทอดหลวงตาเสร็จแล้วก็พักผ่อนวันที่สามสิบพอรุ่งขึ้นวันที่สามสบเอ็ดก็ไปวัดต่างๆตามที่ตัวเองรู้จักมักคุ้นแต่ละวัดจากนั้นก็ทอดกรถินของใครของเราไม่ให้มันตรงกันไม่ได้เพราะวันทอดกรถินจริงๆใครๆก็ เลงถึงวันเสาอาทิตย์เดือนหนึ่งก็มีเสาอาทิตย์อยู่เสาก็สีวันอาทิตย์ก็สี่วันก็แปดวันนั่นเองแต่ที่ยังไงก็ใครรู้จักมักคุ้นวัดไหนก็ไปวัดนั้นแหละฮะอันนี้ก็คือกฐถินจำเป็นสำคัญไหมหลวงพ่อว่างดก็ได้รับก็ได้อย่างวัดเรา เราไม่ได้ให้ความสำคัญเรื่องกรถินมากเพียงแต่ว่าโลกสมมติแต่ถ้าวัดปานาครับน้อยไม่รับกรถิน่นลุกสิทธิ์ลุกหาที่มาเกี่ยวข้องเออทำไมหลวงพ่อไม่รับหลวงพ่อก็คงจะตอบไม่หวัดไม่ไหวเหมือนกัน เ, ออเคยรับมาทุกปีแต่จำเป็นมากไหมที่จะต้องรับก็เนี่แหละเราอยู่ในโลกสมมติ เราก็ทำให้ถูกต้องตามโลกสมมุติเขาแต่ตามพระวินัยจำเป็นไหมก็ไม่ถึงขนาดนั้นจุดประสงค์ในการทอดกระถินคืออะไรก็คือพระสมัยนู้นสมัยครั้งพุทธกาลมีพระมากแล้วก็บริขานจีวรรู้สึกว่าจะขาดตกบกพร่อง พะพระองค์ก็เลยบัญญัติกระถินออกพรรษาแล้วกระถินเดือนหนึ่งก็ไม่ให้เกินนั้นพระสงฆ์ในยุคนั้นก็เป็นการทอดกระถิ่นในยุคสมัยนู้นแต่ผ้าป่าไม่มีเวล่ำเวลาใครจะถวายเวลาไหนวันไหนก็ได้มาบังสกุล แต่สมัยนู้นาก็ทำระยะหลายๆอย่างเอาไปวางไว้ทางที่พระสงฆ์จะเดินไปแล้วก็ไปวางไว้ที่กุฏิของท่านในขณะที่ท่านไม่อยู่อันนี้คือผ้าบางสกุลส่วนผ้ากะถินเนี่ยเดือนหนึ่งต้องทาเป็นพิธีกรรมต้องถวายแล้วก็ต้องสวดอุปโลกและก็ยติอันนี้ก็คือผ้ากะถิน แต่ตามไม่จริงตามประวัติที่หลวงพ่อได้ศึกษาแล้วได้ดูดูได้ฟังฟังดูก็ที่เมืองไทยของเราเนี่ยแหละตแต่พ่อขุนลามกำแหงที่ลงเขียนที่หลักศิลาจารึกเอาไว้ก็ถือเป็นประเพณีกันมามาถึงกรุงศรีอยุธยากรุงรัตนโกสินแต่ทุกวันนี้ ดูดูแล้วไม่ใช่เหมือนประเพณีเก่าทีเดียวทำไมจึงว่าประเพณีเก่าป ร, ประเพณีเก่าก็คือเน้นไปทาง้าที่จะให้ถวายพระสงฆ์ที่เป็นงานกระถินแต่ทุกวันนี้มันจะเน้นไปทางตัวทางด้านวัตถุตัวเงินที่จะสร้างท้าวววัตถุเน้นไปทางเงินรวบรวมจตุปัจจัยเพื่อสร้างท้าวววัตถุ สร้างมัตบาศาสนาจะไปในลักษณะนั้นเป็นส่วนมากแต่ในครั้งพุทธการจริงๆท่านเน้นไปทางปัจจัยสี่คือพาตีวรเป็นส่วนมากแต่ยุคนี้สมัยนี้ก็ไปตามยุคตามสมัยตามยุคตามสมัยเราจะไ่าอย่างไ ร, รก็ต้องไปตามการสมัยเราต้องรับตามความ ส, สมัยมันผิดไหมแต่จะวจัดว่าผิด หรือไม่ผิดมันก็ไม่ผิดจะผิดทิศตรงไหนเพราะว่าเป็นศรัทธาญาติโยมเขาถวายเพราะประสงค์ก็จำเป็นจะต้องได้ใช้เหมือนการปั จ, จัจสี่แต่ถ้าว่าการใช้ใช้ไม่เป็นอันนั้นเป็นอีกเรื่องหนึ่งนะถึงจะมีมากปีน้อยมันก็เสียหายได้ถ้าว่ารู้จักใช้ถึงจะมีมากก็ไม่เสียหาย ถ้าไม่รู้จักใช้ถึงจะน้อยก็เสียหายทําไมยังพูดอย่างนั้นเพราะว่าถ้ารู้จักใช้เหมือนกับไฟเหมือนกับไฟฟ้านถ้าเรารู้จักใช้สายมันหุ้มใช้ไปทั่วประเทศมันก็ไม่เป็นพิษภัยแต่ถ้าเราเปลือยขึ้นมาช่วงไหนมันก็ไหม้บ้านทันทีไฟน้อยไฟมาก ถ้าเรารู้จักใช้รู้จักควบคุมในการใช้มันก็เกิดประโยชน์แต่ถ้าไม่ควบคุมในการใช้มันก็เสียหายทําไมจึงว่าการควบคุมเรื่องจตุปัจจัยทํำยังไงคือพระพุทธเจ้าท่านบอกท่านตรัสเอาไว้แล้วในพวินัยของพระสงค์ถ้าใครใครนาทรัพย์มาเพื่อเป็นค่าจีวรถามภิกษุว่าใครเป็นวยยาวพัะจกรของท่านถ้าภิกษุต้องการจีวรหรือของใช้ ให้แสดงอุบาสวกวันนี้เป็นวยาปัจจกรของภิกษุทางหลายจากนั้นเขาก็มอบหมายไว้กับวียาปัจจกรนั้นจากนั้นเมื่อพระสงฆ์ต้องการก็เข้าไปหาไว้วยาปัจจกรให้วียาปัจจกรจัดการให้เป็นผู้แรกเปลี่ยนให้อันนี้คือพระภิไหณนมันมีอยู่แล้วอันนี้คือถูกต้องแต่ถ้าเรา ออามาใส่กระเป๋ายึดมาใส่กระเป๋าตัวเองเลยอันนั้นแปลว่าเป็นผู้โลภโลเลในครั้งพุทธการจนผู้ร้ายฆ่าพระมากต่อมากก็อพทะองค์จึงไม่ให้รับจตุปัจจัยอันนี้นถ้าว่ารับเองมันก็เป็นโทษนะถ้าให้คนอื่นจับดูแลให้อันนี้ก็คือตามพระวินัยนี่แหละถ้าว่าพวกเรารู้จักใช้ มันก็เกิดประโยชน์ถ้าไม่รู้จักใช้มันก็เกิดโทษไม่ว่าอะไรล่ะอาหารของเราที่เยอะๆเหมือนกันถ้าเราทานอาหารทานให้ท้องแตกก็แตกได้ถ้ารู้จักประมาณในการบริโภคโภชเนมัดตันยุตารู้จักประมาณในการบริโภคมันก็เป็นการบำรุงเลี้ยงร่างกายให้อยู่เป็นสุขได้นี่แหละทุกสิ่งทุกอย่างในโลก ถ้าพวกเรามาพิจารณาดูแล้วมันก็มีทั้งโทษทั้งคุณสรุปแล้วแต่เมื่อเราใช้ให้เป็นคุณมันก็เป็นคุณถ้าเราใช้ให้เป็นโทษมันก็เป็นโทษไม่ว่าแต่พระฆนะราวาสญาติโยมก็เหมือนกันไม่ใช่ว่าเงินได้เงินมามากมากมา ก, ก็จะเป็นผลดีสำหรับตัวเองก็ก็ไม่ใช่อย่างนั้นทีเดียวถ้างโง่ใช่อย่างพอได้เงินมากไปว่าจ้างคนอื่น ให้ไปฆ่าคนอื่นเข้าเพวกตัวเองโกรธโมโหโก้โก้ทาให้เขาอย่างนี้ทั้งที่เงินนั้นจะเกิดประโยชน์สําหรับตนเองเพื่อยังชีพให้ตนเองก็กลับเป็นโทษผลที่สุดเงินตัวเองก็พาตัวเองเข้าคุกเข้าตารางไปอีกขายายาบ่งยาหมาคันช้ายาฝิ่นมีต่างเยอะแยะที่จะทําเงินให้เป็นโทษกับตนเองนี่แหละถ้าว่าทําให้เป็นคุณละ่ะ ก็เป็นคุณมหาศารได้เงินมาแล้วกันรู้จักแบ่งปันพี่น้องสงเคราะห์พ่อแม่ของตนเองสงเคราะห์ปิดามารดาของตนเองที่ท่านเลี้ยงดูเรามาแล้วเราควรจะสงเคราะห์ดูแลท่านอย่างไรดูแลสามีภรรยาลูกหลานกิจการงานของเราจะทํำยังไงจึงจะเจริญก้าวหน้าเมื่อได้จตุปัจจัยมาแล้วเราก็รู้จักแบง่งเพื่อชาติศาสนาพระมหากษัตริย์ เพื่อแผ่นดินจากนั้นเราก็มาเลี้ยงครอบครัวของเราตัวของเราเองแล้วก็ให้บาเพ็ญทำบุญทำทานเสียสละไว้ในพระพุทธศาสนาทำบุญทำทานเพื่อหาหนทางต่อไปภายภาคหน้าในครั้งพุทธกาลพระพุทธเจ้าท่านตรัสท่านบอกท่านกล่าวเอาไว้เหมือนกันคนที่จะไปสู่มรรคผลนิพพาน กุญแจดอกแรกที่จะสร้างบารมีน่ะคือทานพท่านพูดอย่างนั้นะคือทานที่เราได้ศึกษามามากต่อมากที่พระสาวกแต่ละองค์ที่ท่านจะได้ตัดสรได้บรรลุธรรมโดยมากมีทานเป็นพื้นฐานอย่างภาษาริบบที่ท่านเข้าไปอยู่ในเป็นลือสีแต่ท่านก็ได้ทำบุญทำทานกับพระประเจพพ๊พทธเจ้า แล้วก็ตั้งความปรารถนาจากตั้งใจมาชวนพระสารีบุตรราชวนมาพบพระโมกคลาพระโมกคลาก็มาทำบุญอีกท่านก็ได้สำเร็จอีกสรุปแล้วคือประวัติของพระเถระทั้งหลายทั้งปวงโดยมากปิตธรรมบุญทำทานซะก่อนกับพระพุทธเจ้าพระหานตสาวกจากนั้นก็นตั้งจิตอธิษฐานเมื่อทาทานแล้วเมื่อทาทานแล้ว ท่านก็ตัง้งจิตอธิษฐานนี่แหละอันนี้ก็คือทานคำนี้เนะี่ยเป็นกุญแจดอกแรกที่จะไขไปสู่มรรคผลผนิพพานก็เหมือนกับที่หลวงพ่อได้พูดว่าสติสัมปชัญญะนี่แหละจะเปิดไปสู่มรรคผลผนิพพานถ้าหากว่าคนขาดสติคนขาดสติสัมปัญญะคนไม่มีสติสัมปัญญะ จะเป็นคดดีคนดีจะไปสู่มรรคผลนิพพานไม่ได้พูดอย่างนั้นได้แล้วก็ประตูจะไปความชั่วนั้นนั่นคืออะไรกุญแจดอกที่จะเปิดไปสู่ความชั่วนั้นคือสุราตรงพอว่านะถ้าใครดื่มสุราเข้าไปแปลว่าปิน่นกุญแจดอกแรกเปิดไปหาความชั่วในเมื่อขาดสติแล้วทำความชั่วเสียหายหด้ทุกอย่างเพราะคนขาดสติ วันสิ่งเหล่านี้ให้พวกเราทุกๆท่านนะที่หลวงพ่อให้แนวความคิดให้พวกเราได้คิดดูสิว่าเอาไปกันกองไตรตรองดูว่าที่หลวงพ่อพูดดี่มีส่วนไหมสมชายเขาร้องแข่งหลวงพ่อละวัน้สงสัยจะหน้าหนาวจะเข้ามาเยือนล่ะเอาลับพรนะเจนีนอนุโมทนาให้พร